ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะได้เวลาของสัสนิสนทนากันอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ทั่วสวัสดีช่วงปีใหมส่สงกรานไทยนะคะดิฉันสัสนิษานาพงดําเนินรายการเรากําลังจะนําท่านไปพบกับมงคลสูงสุดไม่ว่าจะเป็นวันไหนอย่างวันนี้เป็นเทศกาลสงกรานก็จะเป็นมงคลสูงสุดของทุกคนที่ได้มีโอกาสทําในสิ่งที่จชวนท่านทําพร้อมกันต่อไปก็คือการปฏิบัติบูชา องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการสร้างกุศลให้กับตัวด้วยการปฏิบัติธรรมภายใต้การนำของพระมหาภัยบุญอภิปุลโนโก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการสนทนาต่อไปนะคะกล่าวในพิสการกันะ่านคะเซมบานในเรื่องของการปฏิบัตินั้นเราก็เริ่มจากการที่เราฝึกสติาการที่ฝึกสตินั้นก็คือให้เรามามีสติอยู่กับลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกสตินั้นฝึกได้หลายทาง หนึ่งในวิธีที่เราใช้กันอยู่ที่นี่ก็คือการใช้ลมหายใจะเราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเวลาที่เราหายใจเข้าก็ให้มาระลึกถึงและมาทําความรู้สึกอยู่บริเวณที่เราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้ลมหายใจออกก็อย่างเดียวกันสตินี้นอกจากตั้งได้ในเวลาที่เราระลึกถึงลมหายใจแล้วในเวลาเราพูดจาเราคิดเราก็สามารถทําได้เหมือนกันเช่นถ้าปอกว่าเราพูดเรื่องที่ดีเป็นสัมมาวาจา แลก็ถือว่าใจเรามีสติคุ้มครองระดับหนึ่งไม่พูดไปในทางที่เป็นอกุศลในเรื่องของวาจานั้นก็สามารถบอกได้ด้วยว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีพระเจ้าได้ตรัสถึงคุณธรรม4ประการในะที่เกี่ยวกับเรื่องวาจาของคนไม่ดีเอาไว้อย่างนี้บอกว่าภิกษุทั้งหลายคนไม่ดีคืออาศัตรษในกรณีนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึง ก็นำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามและก็เมื่อถูกใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่าข้อเสียหายของบุคคลอื่นนั้นอย่างที่ท้วนเต็มที่ไม่มีการหน่วงเหนียวลดหย่อนเพิงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีคืออสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีก เรื่องใดเป็นเกียรติคุณของบุคคลอื่นเมื่อถูกถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกถามจากหน้าเข้าก็เล่าเกียรติคุณของบุคคลอื่นนั้นอย่างอ้อมแอมไม่เต็มปากอ้ อ, อมค ว, า, ว, ความค่อยเขวคนนี้พึงรู้ถต่ว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีอย่างอื่นยังมีอีก คือเรื่องใดเป็นข้อเสียหายของตนแม้มีใครถามถึงก็ปกปิดไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็แต่เมื่อถูกใครถามจากหน้าเข้าก็เล่าข้อเสียหายของตนนั้นอย่างอ้อมแอ้มอ้อมค้อมควยเควพิสูจน์ทังหลายคนไม่ดีอย่างอื่นยังมีอีกคือเรื่องใดอันเป็นเกียตรติกุณของตนแม้ไม่มีใครถามถึง ก็นำมาโอ้อวดเปิดเผยจะต้องกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามและเมื่อถูกใครถามถึงในรายละเอียดเข้าก็เล่าเกียรติกุลของตนเองยังที่ทุวนเต็มที่ไม่มีการนูเงียบลดหย่อนส่วนบุคคลผู้เป็นคนดีพึงประกอบด้วยธรรมสประการคือคนดีในกรณีนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของบุคคลอื่นแม้มีใครถามถึง ก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามจากหน้าเข้าก็เล่าเรื่องอันเป็นข้อเสียหายของผู้อื่นนั้นอย่างรัดสั้นไม่เต็มที่ดวงเนียวลดหย่อนก้อนี้พึงรู้แต่ว่าคนคนนี้เป็นคนดีข้ออื่นยังมีอีกคือเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของบุคคลอื่นแม้ไม่มีใครถามถึงก็นามาเปิดเผยให้ปรากฏ จะกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามในรายละเอียดเข้าก็เล่ากิจคุณของบุคคลอื่นนั้นอย่างที่ท่วนเต็มที่ไม่มีการอ้ อ, คอมค้อมค่อยเก๋และเรื่องใดเป็นข้อเสียหายของตนแม้ไม่มีใครถามถึงก็เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อถูกใครถามก็แต่เมื่อใครถามในรายละเอียดเข้า ก็เล่าข้อเสียหายของตนอย่างที่ท้วนเต็มที่ไม่มีการอ้อมค้อมควยแคว่และเมื่อเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของตนแม้มีใครถามถึงก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกใครถามก็แต่เมื่อถูกใครถามจังหน้าเข้าก็เล่าเกียรติคุณของตนเองอย่างลัดสั้นไม่เต็มที่ดวงเหนียวลดหยอด่อนข้อนี้พึงรู้แิดว่าคนคนนี้ เป็นคนดีถ้าบอกว่าเราสามารถมีสติในการที่จะควบคุมวาจาของเราได้ขนาดนี้เราก็ชื่อว่าเรามีสติอยู่ในการพูดเหมือนกันเจริญพรสาธุค่ะถ้าจังคะคือดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนไทยแบบยุค ก, ก่อนๆเนี่ยอืมก็จะถูกสอนมาในทนํานองที่ว่าข้อที่หนึ่งละไม่ให้พูดโกหกใช่ไหมคะ ใ, ในขัดมาก็คือว่า อย่าอวดตัวเองอมีความอ่อนน้ำำําถ่อมตนอะไรอย่างนั้นไปค่ะแล้วก็อย่าไปกล่าวหาคนอืน่นถ้าจะสรุปพุทธพจน์ซึ่งอาจจะต้องใช้สมาธิฟังจริงๆนะคะสำหรับคนที่ไม่คุ้นกับสํานวนก็จะได้ความว่าถ้าเรื่องของคนอื่นความไม่ดีของเขาเราไม่มีหน้าที่ต้องไปเปิดเผยเขาไม่เปิดเผยอย่าไปแชร์ฮะแล้วถ้าใครมาถามถึงบางอื่นเรารู้ ให้พูดน้อยที่สุดถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องคือถ้าเขามาถามก็ไม่พูดนะคือถ้าจะให้พูดเองเนี่ยไม่พูดอยู่ละถ้าเข้ามาถามนะก็ไม่พูดละน ะ, ะแล้วถ้ามาถามแบบเฉพาะเจาะจงแบบตอบเรียงไม่ได้ก็พูดนิดเดียวอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ อ, อันนี้เรื่องไม่ดีของคนอื่นถูกต้องอันนี้คือคนดีเขาจะเป็นอย่างนี้นะคนดีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่ะทีนี้เรื่องไม่ดีของตัวเองทํำยังไงเรื่องไม่ดีของตัวเองนะถ้าเป็นคนดีเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยเรื่องที่ตัวเองทําไม่ดีเอาไว้ ก็คืออย่างกรณีของอย่างเช่นพระสงฆ์อย่างเงี้ยตัวเองไปตียุงอย่างเงี้ยยุงตายก็ต้องไปโปรงอาบัตแล้วก็เป็นระบบที่เรียก ว, ว่าโปรงอาบัตคือเปิดเผยความผิดของตัวเองเออกมาเช่นเดียวกันเราทําผิดตรงไหนเราก็ไปแก้ไขบอกกับคนที่เรารู้จักเออฉันทําเรื่องนี้ผิดนะก็เ ข, ขาแก้ไขนี้คนดีก็จะเป็นอย่างนี้ความไม่ดีของตัวเองเปิดเผยออกมาไม่ได้ต้องให้บอกเลยนะไม่ต้องให้ถามเลยว่าเธอผิดตรงไหนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องให้มาตามจี้ตามชายแต่บอกเองนะทีนี้ถ้าถาม นะถามก็บอกอย่างละเอียดด้วยโอ้โหเนี่ยตอนนั้นแหละแหมมันเผลอสติไปหน่อยถามนิดนึงก็จะเล่าในรายละเอียดว่าตัวเองนั้นช่วยขนาดไหนนะทําไม่ดีขนาดไหนนี่คือคนดีเขาจะเป็นกันอย่างนี้เนะ่ยทีนี้มาถึงเรื่องความดีนะเรื่องความดีของบุคคลอื่นนะถ้าเป็นเรื่องดีๆของบุคคลอื่นเนี่ยเอามาเปิดเผยโคโฆษณาให้เขาเนี่ยคนนี้ดีอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างนี้นีนนอนนะบอกคนอื่นไปนะแล้วก็ถ้าเผือว่าถูก คือไม่ต้องให้ถามเลยนะก็พูดความดีของคนอื่นนะแล้วถ้าเผื่อว่าถูกถามาถาก็เล่าอย่างละเอียดว่าโอหเนี่ยเขาดีอย่างนั้นรายดีก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือข้อที่3นะเรื่องความดีของคนอื่นค่ะตอนี้คนดีเนี่ยเขาจะพูดเรื่องความดีของตัวเองนะขนาดไหนก็คือไม่พูดเลยคือถ้าไม่ถามเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะถ้าไม่ถามไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าถูกถามแบบจังหน้าแบบโอ้โหเลี่ยงไม่ได้ต้องตอบนะก็พูดความดีของตัวเองนิดเดียว นี่คือคนดีก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะลักษณะของสัตว์ปุรษุษแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องพูดดีแล้วเกิดกุศลหรือไม่เกิดกุศลหรือยังไงค่ะอันนี้คือพูดถึงเรื่องความดีหรือความไม่ดีของบุคคลอื่นนะค่ะอย่างเช่นคุณยมติ่นอนามาเข้าใจอยู่ว่ากาลังจะพูดถึงว่าสมมุติถ้าเราพูดถึงเรื่องความอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งออกมาต่อให้มันเป็นเรื่องจริงเรื่องดีอย่างที่ว่าคอนดิชั่นนี้ทั้งหมดแต่ปรากฏว่าพูดแล้วคนหนึ่งก็จะเสียใจอ ย, อย่างนี้ใช่ไหมค่ะ อ่าอย่างเช่นกรณีไหนบ้างอ่าเช่นว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เขาอาจจะไม่ชอบคนที่ที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เราพูดความดีของเขาเขาก็จะเคืองแล้วทีนี้เอาเราก็พูดเรื่องความดีของคุณหนึ่งก็ได้นะที่ที่เขาจะยินดีที่เขาจะ ไม่ไม่กระทบกระเทือนกันอนะวางกันเถอะค่ะคือยมกลังหมายความอย่างนี้ค่ะท่านค ะ, ะการพูดดีพูดไม่ดีนอกจากเป็นคุณสมบัติของคนดีหรือสัตว์บุรุษแล้วเนี่ยอืการพูดดีและพูดไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของกุศลและอกุศลหรือไม่คะถูกต้องถูกต้องถ้าเราพูดเรื่องที่เป็นไม่โกหกเนี่ยไม่สเสียเไม่เวียดเบียนเป็นวาจาสุภาเสณ์นี้จะเป็นกุศลเนี่ยเป็นหนึ่งในกุศลกรรมบทสิบในเรื่องของวาจาแล้วก็เป็น มีมีอกุศลกรรมรบทไหมคะท่านคะใช่ใช่มีอกุศลด้วยก็คือพูดสอเสียษพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบตรงกันข้ามกันมิจฉาวาจาสี่อย่างนะคะคือดิฉันต้องถามแบบนี้เผื่อที่ผูท้ทําผู้พยายามพูดดีและไม่พยายามพูดไม่ดีเนี่ยจะได้มีกําลังใจว่ามันได้กําไรหลายต่ออ่าได้บุญแน่นอนแน่นอนใช่ค่ะเป็นกุศลด้วยเอ่อดิฉันตั้งข้อสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงตัวอย่างของพระสงฆ์ที่ว่าถ้าไปทําไม่ดีอะไรมาเนี่ย จะต้องมีการมาปร<ล> อ, องอับอะไรนะคะปรอาอับอ่าใช่อ่าแล้วก็ต้องพูดให้ละเอียดใช่ไหมคะอันนี้คือเปิดเผยความผิดของตัวเองเป็นเป็นวินัยอย่างใดคะอยู่ในหมวดไหนคะอ่าเป็นวินัยที่เป็นข้อประพฤติของพระสงฆ์นะคือถ้าสมมุติทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าก็ต้องดูว่าเป็นความผิดแบบไหนมีเยอะหมด 4, 5 ป, นะ4 5ประเภทนะในสี่หประเภทนี้ถ้าคุณจะไปปรองอัติคุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณทําความผิดประเภทไหนแล้ว ถ, ถ้าเขาถามคุณว่าอะไรล่ะในรายละเอียดสมมุติประเภทนี้ มันก็จะแยกย่อยไปหลายอย่างนะเช่น ค, ความผิดประเภทที่ทําให้กุศลธรรมตกล่วงไปข้ายุงก็ใช่ดื่มเหล้าก็ใช่โกหกก็ใช่แล้วมันอันไหนก็แน่อย่างเงี้ยนะ ค, <ม>ค่ะท่านค ะ, ะสมมุติกรณีที่ท่านยกตัวอย่างเลยที่บอกว่าไปตียุงตบยุงเนี่ยนะคะเจมส์บานในกรณีจะไปปลงอาบัติไปปลงกับใครปลงแล้วเนี่ยบาปนั้นหายไปเลยหรือไม่เพราะเป็นการผิดศีลข้อสําคัญเหมือนกันนะคะอ่าอ่าการที่ไปเปิดเผยความผิดของตัวเอง แล้วก็เปิดเผยต่อเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันด้วยกันก็คือพระสงฆ์ด้วยกันนั่นแหละจะปัญหามากกว่าน้อยกว่าไม่เป็นปัญหาประท่านในกรณีของคารวาสก็คือคุณเปิดเผยความผิดกับกับใครก็ได้ที่คุณรู้จักเปิดเผยแล้วได้อะไรขึ้นมาคะท่านคะข้อที่1คือบาปนั้นไม่ได้หายไปแน่นอนอะไรที่กระทําแล้วก็เป็นอันกระทําแล้วจะไม่ใช่ว่าเป็นการล้างบาปไม่ใช่แต่เป็นการเปิดเผยความผิดเพื่ออะไรเพื่อเบื้อสมมติว่าเราเรานิ้วขาดอย่างเงี้ยนะ สมมติ <ạ. S 1> คุณทำเราสมมติเราทำความผิดนิ้วเราขาดแต่การปล ong arm band นี่คือการอุดเลือดไม่ให้เลือดมันไหลต่อแต่นิ้วไม่ได้งอกกลับขื้นมาแ okay, ก็นมั้ยก็คือบาปที่คุณทำไปแล้วก็คือเป็นการทำไปแล้วแต่คุณจะไม่เสื่อมต่อไปนะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ปลง n บั r m b ความผิดนี้ถูกเก็บเอาไว้นะมันจะงอกงามเติบโตขึ้นนะอะไร <ạ. S 1> ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความผิดเนี่ยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้มันยิ่งโตนะ <ạ. S 1> แต่ถ้าเปิดเผยออกมาปุ๊บมันจะหยุด ไอ้ความผิดนี้ก็จะไม่ได้ขยายตัวต่อไปนะ อ, ยอย่างประสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าผู้ปฏิธรรอะไรผิดนิ ด, นดหน่อยแล้วตัวเองไม่รีบแก้ไขเนี่ยมันก็จะผิดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งรู้สึกแบบไม่อยากจะบวชต่อลาสิกขาดีกว่าไปางวนไปอค่ะนะคะนี่ก็น่าจะทําให้กระจางกันมากยิ่งขึ้นเพราะดิฉันเองฟังใหม่ๆนี่ยังนึกเลยถ้างั้นก็ดีทําอะไรก็ได้อืมแล้วค่อยไปบัปองอาบัตเอา <c oughs> มาโปร่งอาบาัต อ่านิ้วก็ด่วนไปเรื่อยๆอ่ ะ, ค, ะคือสรุปแล้วเนี่ยการกระทําทุกการกระทําผลเกิดขึ้นแล้วคือเกิดอยู่ถูกไหมคะใช่ใช่จบไปละนั้นคือจบไปแล้วก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นไปนะคะเราจะไปลบไปล้างเนี่ยไม่ได้เพียงแต่เราจะไม่ทํามันอีกหากเราได้บอกกับคนอื่นเขาด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นการเตือนตัวเองไปในตัวด้วยใช่ใช่คือมันต้องละอายอ่ะแบบแบบแชร์ความผิดของตัวเองออกมาต้องรู้สึกละอายต้องหยุดแล้วอุปมาตรงนี้ครูจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียวกับต้นไม้ นะถ้าใบาแก่ๆมันร่วงละแล้วก็ถ้ามันยังมันยังไม่หยุดเนี่ยใบอ่อนก็ร่วงใบอ่อนร่วงกิ่งน้อยๆก็หกักกิ่งน้อยหกักกิ่งใหญ่หักกิ่งไฮยาหักปุ๊บลาต้นหักโค่นตายเลยนะเหมือนการผิกษุหรือเราทําความผิดเล็กๆน้อยๆเราไม่แก้ไขเราไม่ได้เปิดเผยออกมามันก็ลามเป็นความผิดหนักขึ้นนะคนที่เป็นอาชญากรรมอย่างเงี้ยเขาก็ขโมยเล็กๆน้อยๆก่อนจับไม่ได้นี่วะเฮ้ยเอาหนักขึ้นหนักขึ้นหนักค่าอะไเล็กๆน้อย จับไม่ได้นี่ว่าก็หนักขึ้นหนักขึ้นมันจะเป็นลักษณะนี้ความความผิดความชั่วเนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นถ้าเราปิดบังเอาไว้งั้นคิดว่าถ้าไ้ฟังน่าจะได้ประโยชน์จากเทศกาลสงกรานมีเวลาฟังพระ พ, พักใหญ่ๆเนี่ยนะคะได้มากก็คือเพราะข้อที่หนึ่งเรื่องปากเนี่ยมันติดอยู่กับตัวตลอดเวลาที่เราต้องสื่อสารกันอย่างที่สองก็คือเรื่องของการได้รู้ว่า ผิดในสิ่งที่ไม่ควรผิดก็ไม่ใช่เรื่องจะเป็นจะตายอแต่หมายความว่าผิดแล้วให้รู้ว่าผิดเพื่อที่จะได้ต่อไปไม่ต้องทําผิดถูกต้องถูกต้องพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็กระทําคืนตามธรรมคาว่ากระทําคืนตามธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแก้บาปนะแต่ว่าคือก็ขอโทษไปแก้ไขไปตามนั้นนะสิ่งใดทําแล้วก็เป็นอันทําแล้วแล้วนะเราก็ตั้งใจว่าเราจะ ไม่ทําความผิดพลาดนั้นอีกอย่างเงี้ยนั่นถ้าจะให้ดีเหมือนกับช่วงขึ้นต้นปีใหม่ฝรั่งสาคนหลายคนเลยนะคะคล้ายกับเทศกาลเข้าพรรษาจะบอกตัวเองว่าปีใหม่นี้นะต่อทนันี้ต่อไปฉันจะเริ่มต้นชีวิตมุมนี้ใหม่จะไม่นั่นจะไม่นี่จะทํานั่นจะทํานี้ก็เริ่มต้นมุมนี้กันเลยแล้วก็จะได้บอกตัวเองว่าเราจะทําจริงจริงจังจ แต่พอไปถึงจุดที่มันพลาดพลั้งก็ให้มีวิธีต ร, ตรงนี้ก็อาศัยสตินะอย่างคนที่จะพูดอะไรออกไปคําพูดที่จะหลุดออกจากปากเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเอ้ยแหม่ฉันพูดอันนี้ไปเขาจะเคืองแต่แล้วเราหยุดได้ทันอันนี้คุณมีสติแน่นอนสติเกิดขึ้นทันทีค่ะท่านพิบูลอยากจะเน้นเรื่องพูดงั้นที่ฉันนิมนต์ท่านต่อได้ไหมคะในแง่ ม, มุมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไ e ว้อีกล่ะคะได้ๆเกี่ยวกับเรื่องการพูดเนี่ยก็คือว่าตรงนี้มีแง่มุมหนึ่งว่าเอ้ยเรา เขาถามเรื่องไม่ดีของคนอื่นแล้วให้เราพูดนิดเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นการโกหกหรือเปล่าเนือ่องไหมสมมติเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ที่ทำงานอย่างเงี้ยแล้วปรากฏเพื่อนร่วมงานคนนี้แย่แย ย, ย่มากๆเลยมียุทธกรรมชั่วจริงๆเลยละ่ะแล้วแล้ ว, ลวเราก็ต้อง อ, อ, อาจจะต้องเตือนคนอื่นว่าเฮ้ยคนนี้มันมีนิสยยัยงี้นะเะเราเตือนได้ไหมเนี่ยเราจะกลายเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าในการเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าพระเจ้าเคยเตือนว่า คนที่จะอยู่กับคนดีหรือคนไม่ดีก็ตามเนี่ยก็ต้องมีสติรักษาตลอดนั้นต้องมีสติตลอดเพราะฉะนั้นสมมติเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีต้องไปร่วมงานกับคนนั้นเราจะบอกคนนั้นว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีไหมนะเราก็ควรจะเตือนให้เขามีสติแต่อย่าไปพูดเรื่องชั่วของเขาเข้าใจไหมเราอย่าไปพูดเรื่องชั่วของคนชั่วแต่เราพูดให้คนดีตั้งสติเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องดีแล้วถ้าเขาถามมาเออเหรอทําไมถึงบอกอย่างนี้ล่ะเขาเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงเขาถามชนิดที่เราเราเลี่ยงไไม่ดดดด้เเราก็พูนิียว อันนี้เราจะเป็นสมมตินะคะสมมติกรณีมีผู้ชายคนหนึ่งอืกําลังจะทํางานร่วมกับผู้หญิงแสนสวยคนหนึ่งโอเคเราก็ไปเตือนเขาเตือนผู้หญิงเราไปเตือนผู้ชายอ๋อเตือนผู้ชายอ่ะเราก็บอกว่ารู้ไหมว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเคยมีข่าวเรื่องชู้สาวกับหุ้นส่วนของคุณอืมอ่าถ้าคุณรับไปคุณช่วยพิจารณานะมันอาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้เราผิดไหมคะอันนี้ ไม่ถูกที่ถูกควรเป็นยังไงอาตมาจะแนะนําให้ค่ะเราควรจะไปเตือนผู้ชายบอกว่าเออในเรื่องความเรื่องในทีมงานเนี่ยเราต้องมีความสามัคคีกันนะเนี่ยต้องสามัคคีปลองดองให้มีความเห็นอกเห็นใจอดทนซึ่งกันและกันถ้าอาตมาจะพูดอาตมาจะพูดอย่างนี้เอา้าแล้วถ้าเขาถามต่อว่าเอ้าทําไมเหรอมันเป็นยังไงเรื่องราเป็นยังไงถามจากนกระที่ว่าเราถามต้อนไปต้นมาเราก็จะต้องบอกเราก็จะบอกนิดเดียวค่ะเข้าใจไหมแต่เราจะไม่ได้ไปพูดเรื่อง<อ>ไม่ดีของเขาก่อน อก็ตรงประเด็นไม่งั้นก็ต้องซัด ก, กันไปยาวเอ า, เาถ้าเขาไม่ถามก็แต่ไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเจตนาก็คือว่าไม่อยากให้เดือดร้อนกันทุกฝ่ายท่านลองท่านลองจินตนาการนะคะสมาาจออยู่มฮะเกิดมีการร่วมมือไปเกิดหุ้นส่วนของผู้ชายคนนั้นไม่พอใจอย่างแรงอ่าคนที่เป็นสาวสวยเนี่ยก็จะต้องได้รับความเดือดร้อนอืมอ่ามันเดือดร้อนกันไปหมดนะคะเขาที่ดูอ่าก็คือต้องเตือนเ้าให้ปรึกษา อ่าฮารือกันในหมู่คณะก่อนนะก่อนจะรับใครเข้ามาทํางานเราก็จะพูดแค่นี้ oui, ถ้า <ใช S 1> อาจมาจะพูดแค่นี้เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยคือคือความไม่ดีมันออกจากปากความไม่ดีออกจากปากมันต้องอยู่ในหัวอยู่ในหัวจิตใจเราขุ่นมัวแล้วเราจะไม่ได้พูดแค่นี้ถ้าเราคิดเรื่องนี้ก่อนเราก็จะต้องมีสติยับยั้งว่าเออเรื่องไม่ไดีคนเด่มเราไม่พูดนะเราควรจะเตือนให้เขามีการปรึกษาเรียนก่อนนะจะรับใครเข้ามาทํางานเราพูดแค่นี้นะถ้าเขาถามต่อแหมมันจะต้องตรงประเด็นอะไรต่างๆแล้วนะเราก็พูดนิดเดียว อันนี้คือเราจะรักษาคุณธรรมของเรานะนะะเพราะฉะนั้นก็ได้ตัวอย่างที่ว่าอาต้องรัดกุมมากไม่ใช่ว่าอา่าเราคิดว่าดีแล้วจะดียังต้องมีสติคิดตอบอีกว่าดีจริงหรือเปล่าผิดหลักเพราะพูดธองค์หรือเปล่าอืมอใช่แล้วคือบางทีเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยแน่นอนแล้วถ้าเราดูจิตเราดีๆเนี่ยมันจะมีความขุ่นมัวเราเราเอาเรื่องไม่ดีมาคิดมันก็ขุ่นในใจของเรา อค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดว่ากําลังสร้างกุศลหวังดีอยู่ก็อาจจะไม่ใช่ อ, อสร้างกุศลหวังดีอยู่ที่ว่าคุณพูดคิดหรือทําดีหรือเปล่านะอะเกณฑ์ทั่วๆไปพุทชเจ้าก็พูดถึงเรื่องศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างาการพูดถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยมันก็ละเอียดขึ้นมานะถามว่าผิดศีลไหมก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดขึ้นมาที่ว่าสัตว์บุรุษเขาจะเป็นกันอย่างนี้ค่ะ ประเด็นต่อไปเกี่ยวในพรสูตรนี้ก็คือพรชาเปรียบเทียบกับหญิงสะภ้ยใหม่นะหญิงสะภ้เนี่ยเขาก็จะไปอยู่บ้านสามีนะพอไปอยู่บ้านสามีไม่กี่วันเนี่ยแรกๆก็แหมมีความเกรงใจมีความเห็นอกเห็นใจคนในบ้านตั้งแต่พ่อแม่สามีสามีจนถึงคนครัวคนใช้อะไรต่างๆนะแต่พอคุ้นเคยกันมากขึ้นมากขึ้นนะก็ตะหวาดเขาละลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเช่นเดียวกันพระชาเปรียบเทียบตรงนี้กับภิกษุ นะบําบุตรแรกๆเนี่ยโอ้โหแบบมีฮิริโอตับปะมีความเกรงอกเกรงใจคนนั้นคนนี้สามนเณรนก็พูดดีนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปาไม่เห็นหน้าแม้กระทั่งครูบาจารย์อุปชาอะไรต่างๆท่านจะรู้อะไรแบบเสียงแข่งขึ้นมานะซึ่งผู้เช่าจึงสอนให้ให้อยู่อย่างมีจิตเหมือนหญิงสไปร์ใหมนะ่จิตของยิงสไปร์ใหม่เนี่ยคือจะมีฮิริโอตับปะนะฮิริโอตับปะคือความกลัวความละอายต่อบาปนะให้เรามีจิตอย่างนี้นะอยู่เสมออื หีริโอตาปาเนี่ยส่งไปถึงวิมุตได้เลยน ะ, ะเพรา ะ, ะว่าพอเรามีหีริโอตาปาแล้วเนี่ยเราจะไม่กล้าทําสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายวาจาใจสาธุค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันถามย้อนกลับไปในเรื่องของการพูดคะ่ะสัมมาวาจาที่ท่านว่าเนี่ยไปถึงวิมุติได้หรือเปล่าล่ะคะถูกต้องเพราะว่าหนึ่งเ ร, เรารู้ว่าอะไรเป็นสัมมาวาจาเรารู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาวาจานี้เป็นสัมมาทิฐิคุณเิยถูกละ เราไม่ได้คิดว่าการพูดคําหยาบเป็นสิ่งดีแต่เรารู้ว่าการพูดคำหยาบเป็นสิ่งไม่ดีความรู้ตรงนี้คือสัมมาทิฏฐิละอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ท่านได้นําพระสูตรมาตลอดจนได้พูดถึงเรื่องการพูดมาถึงตอนนี้หากปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วมีโอกาสไปวิมุติเหมือนกันใช่คะถูกต้องเพราะว่าพอเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะเราก็ปฏิบัติเรื่องวาจาของเราได้ก็คือสัมมาวาจานี่ก็ข้อที่2ได้แล้วนะตอนที่ ค, คุณทําสัมมาวาจาอยู่เนี่ยเออเราก็จะต้อง ทำความมีตั้งสติเอาไวนะ้สติรักษาว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีเราไม่พูดนะก็เป็นสมาสติก็ได้หล้วันที่สามเพราะเราได้สมาสติแล้วนั่นเป็นการทําความเปลี่ยนด้วยนะเราเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกจากใจสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไปในใจผ่านทางวาจานะใช้วาจาเป็นตัวกระทําให้ใจนั้นมีกุศลมากขึ้นมีอกุศลลดน้อยลงนะทําไปทําไปข้อที่สี่จะตามมาคือสมาธิจะตั้งกันได้ สมาธิจะตั้งขึ้นได้ข้อที่ข้อที่สคือสัมมาวายามะนะข้อที่5คือสมาธิเนี่ยจะตั้งขึ้นได้ค่นะเพราะสมาธิตั้งขึ้นได้ก็จบะนะะเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดมันก็เข้าวีมุูได้แน่นอนอนะคะก็วเวลาพอดีเลยค่ะท่นานาอาจารน้องสกการขอขาพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อนฟังที่ครบคอบวันนี้แหมลําค่ามากเพราะเรื่องของการพูดเนี่ยเราต้องพูดกันอยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งท่า าหาที่วิเวกที่ไหนเลยนะคะสามารถที่จะนําพาท่านทั้งหลายไปตื้นๆก็คือไปสวรรค์สวรรค์บนดินก็คืออยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็จะไปไกลกว่านั้นก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่เรียกว่าเป็นวิมุตคือสุดท้ายแล้วมันขอให้ท่านทั้งหลายนะคะมีความสุขในเทศกาลสงกรานแล้วก็ได้นำเอาไปสร้างความสุขให้กับท่านในทุกๆวันต่อๆไปเป็นความปรารถนาดี จากรายการสัมสีนีสนธนาพระมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโซอุดรธานีนะคะท่านเมตตาสอนให้กับพวกเราทุกวันแม้กระทั่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านต้องนำคอสปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเนี่ยนะคะเป็นงานหนักมากทั้งวันทั้งคืนละค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพุทโสวัสดีค่ะ